อมีความสุขกับทุกคนวันนี้อากาศก็เย็นอากาศลดลงมาความหนาวเย็นก็คงจะลงมาที่เราก็ได้ลงปู่ก็ได้มาเยี่ยมมาเยี่ยมมาเยือนนึกว่าจะได้มาอยู่ด้วยคงจะไม่ได้มาอยู่ด้วยอันนี้สรงบุญบรารมี จะได้ไปอยู่ทางโน้นก็เลยไม่ได้มาอยู่ที่ไหนก็ดีแต่จิตใจของเราดี <c oughs> ดูดีๆพระเหล่าที่เราตื่นขึ้นมาก็รีบพิจารณากายพิจารณาใจของตัวเราอย่าไปปล่อยโอกาสทิ้งตื่นขึ้นมาตั้งแต่เช้าตั้งแต่ยังไม่ลุกจากที่รู้กายรู้ลมรู้ใจ รู้ความปกติรู้การเกิดการดับของความคิดของจิตใจของวิญญาณในกายของเรา <c oughs> ทั้งพระใหม่พระเก่าเราพยายามเป็นผู้ใหม่ตลอดให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บิกบานผู้ใหม่ไม่ใช่ว่าบวชมานานแล้วเป็นพระเก่าอัตตาเยอะ ในหลักธรรมแล้วท่านก็ให้เป็นผู้ใหม่ผู้ตื่นผู้รู้ผู้ตื่นทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเขาออกหรือว่าทุกขณะจิตมีโอกาสทุกเรื่องเป็นเรื่องออชีวิตของเราพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบแนวทางแล้วก็มาเปิดเผยจำแนกแก่แกงท่านสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องชีวิตในชีวิตของเรานี้มีอะไรบ้างที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขัน ทำไมท่านถึงว่าเป็นกองเป็นขันน่ท่านให้เจริญสติเข้าไปวิเคราะห์ก็ไปอบรมใจจนใจคลายออกจากขันห้าหรือว่าแยกรูปแยกนามนั่นแหละที่ท่านเรียก ว, ว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกเห็นถูกในข้อแรกในอริยมรรคในองค์แปดตามเห็นการเกิดการดับเขาเรียก ว, ว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในกาย เข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์เข้าใจคําว่าอัตตาอนา ต, ตาในกายเป็นอย่างนี้เห็นความเกิดความดับของวิญญาณในกายเห็นใจ เ, เห็นใจของเราเข้าไปรวมเขไปร่วมกับคันห้าเห็นใจวิ่งออกไปภายนอกนั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นอริยสัจทีนี้เราจะทําความเข้าใจได้ตลอดหรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรา เราจะละกิะเลสได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่ความเพียรของเรากิเลสก็มีหลายอย่างนะกิเลสอยาบกิเลสละเอียดกิเลสทั้งเป็นละเอียดกิเลสอยากตามความเป็นจริงในใจของคนเรานี่หลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดมีความเกิดก็มีความหลงใจของคนเรานี่หลงมาตั้งแต่ยังไม่ได้เกิด แล้วก็ลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์มีร่างกายมีขันธ์ห้าแล้วก็มายึดในร่างอันนี้ก็่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เกิดตะขณะยังมีลมหายใจยังมีการเกิดตกเรื่องโน้นบ้างเรื่องนี้บ้างอาดีตบ้างอนาคตบ้างเกิดต่อยังไม่พอยังเป็นาธาตุกิเลสอีกกิเลสก็มีหลายอยา่างทั้งอยากทั้งไม่อยาก ทั้งกุศลทั้งอกุศลมีหลายอย่างที่เราจะต้องศึกษาชีวิตของเราแก้ไขชีวิตของเราศรัทธามีกันเต็มเปี่ยมแต่เป็นศรัทธาที่ยังขาดการจเจริญภาวนารู้แจ้งเห็นจริงศรัทธาอยู่ในการสร้างบุญสร้างบุญลามีคนที่จะมีเข้าถึงความเป็นจริงได้ต้องเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศ มีความเชือละเป็นเลิศมีความรับผิดชอบมีความเชือละสร้างตะบะบารมีแต่ละวันตื่นขึ้นมาเรามีความรับผิดชอบหรือไม่เรามีความกตัญญูกตเวทีเรามีสัจจะกับตัวเองหรือเปล่าสิ่งพวกนี้เป็นความเพียรเรารู้จักขัดเกากิเลศของเราหรือเปล่าความโลภความโกรธความหลง ความหลงนี้ต้องจเจริญสติเข้าไปคลายเ <c oughs> <c oughs> ข้าไปวิเคราะห์เขาถึงจะแยกได้คลายได้แต่แยกไม่ได้คลายไม่ได้ตราไปที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องหลงความเกิดนี่แหละเป็นกิเลสอันละเอียดที่สุดคนไม่ค่อยจะสนใจคิดก็รู้ทำก็รู้เขาก็หลงอยู่ในความรู้ตรงนั้นแหละถ้าเราจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์เออ จนใจคลายออกมาได้นั่นแหละความหลงถึงจะคลายเอ้ยอะไรแมวอะไรนกเอ้ยไปละ อ, อะไรนกหรื อ, อไไก่ <c oughs> อ๋อธรรมดาฆ่าแกงกันตีกันกัดกันตายพอคนเราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดไม่ตายช้าก็ตายเร็วเพราะมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาไม่ได้พัดพากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดพากจากกันตอนตาย เป็นกฎของใจลักษณ์กฎของความเป็นจริงเราต้องพยายามศึกษาหาความรู้ตรงนี้ขณะที่ยังมีกําลังกายยังร่างกายยังแข็งแรงอยู่ความตายเนี่ไม่ได้เลือกการและเวลาตายทางกายเนื้อทางด้านรูปอทีนี้เราก็ม า, า, าดับความเกิดภายในถ้าไม่อยากจะเกิดความตายนี่มารับเอาลงศพที่นี่ทุกวันทุกวันวันละสองลงสามลง หมดไปแล้วก็ประมาณพัน0กเจ็ดร้อยลงแล้วนี่หลยญาติโยมที่หลวงพ่อประกาศเมื่อวานนี้ยญาติโยมท่านใดอยากจะมาร่วมผ้าขาวหอ่อศพก็ให้พากันเอามาคนละผืนสองผืนเลอคนละมัดสองมัดพราว่าชายเยอะชายเยอะผ้าขาวหอ 2, 5, ่อศพสองผืนมอบให้แต่ละลงแต่ละคนนี่ศพละสองผืน แล้วก็ดอกไม้ทุบเทียนแล้วก็ผ้าไตยจีวรหนึ่งชุดแล้วก็เงินช่วยทำจบอีกห้าพันตอนนี้เวลานี้ก็ผ้ า, าข่าวนี่ขาดเยอะขาดเยอะพออนุเคราะห์ให้สองที่ที่คนเจนเราที่เรียกก็ว่าตําบลสําราญที่นี้ก็รอบเมืองคนเจ็นมาหมดเลยนี่ทางปากทงชัยก็เหมือนกันก็ได้อนุเคราะห์ให้ทําเหมือนกันกับที่คอนเจน เริ่มทำตั้งแต่ปีที่ผ่านมาออก็มารับเอาประมาณ200กว่าโลงง200กว่าศพ ม, มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบุญบารมีกันบุญสมมติเราก็ทำให้เต็มเปี่ยมออทำดีคิดดีทำน้อยก็เป็นของเราทำมากก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำเราก็พลอยอนโมทนาสาธุด้วยเราก็มีส่วนแห่งบุญต่วนการขัดเกากิริย เราก็ต้องพยายามกัดเก่ากิเลสของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาใจเกิดค ว, ความโกรธความโกรธใจเกิดความทะเยอทะยานอยากความคิดอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามการวิเคราะห์การสังเกตการอบรมใจของเราจนใจของเราอยู่ในโอวาทของสติปัญญาของเรานั่นแหละที่เหตุที่ผลจเจริญสติไปที่เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผลจนใจของเรามองเห็นความเป็นจริง เราก็จะขัดเก่ากิเลสของเราออกไปเรื่อยๆก็จะค่อยอใจของเราก็จะสะอาดบริสุทธิ์เบาบางลงไปเรื่อยๆตามคําสอนของพระพุทธองค์งการจเจริญสติการวิเคราะห์การแยกรูปแยกนามการละกิเลสอยากกิเลสละเอียดก็จะค่อยเบาบางไปเรื่อยๆการทำความเข้าใจกับภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรมภาษาโลกภาษาธรรม คำว่าสักแต่ว่าดูสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าฟังเป็นลักษณะอย่างไรเราต้องจำแนกแจกแกงแย ก, แกรูปรศกินเสียงออกจากใจของเราตะวันทั้งหนี้เขาทำหน้าที่ของเขาเราห้ามไม่ได้ตาห้ามดูอย่ยาไปห้ามดูก็ห้ามไม่ได้หูห้ามฟังก็ห้ามไม่ได้แต่เราเอาสติปัญญาของเราไปวิเคราะห์ใจของเรานู่น ใจเกิดความยินดีหรือไม่ใจเกิดความอยากผักใสหรือว่าดึงเข้ามาหรือไม่ทุกเรื่องเลยนะในชีวิตของเราทุกเรื่องไม่ใช่ว่าเรื่องใดเรื่องหนึ่งทุกเรื่องจนกระทั่งหมดลมหายใจจนใจละกิเลสออกหมดละวางความยึดมัน่นถือมั่นได้มองเห็นหนทางเดินว่าเราจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกัน ไม่ใช่ว่าไปปฏิบัติธรรมที่โน่นจะเข้าใจปฏิบัติธรรมที่นี่จะเข้าใจ <c oughs> ถ้าเราไม่ทำความเข้าใจให้ถูกต้องมันก็อยากที่จะเข้าใจ <c oughs> เราอยู่กับสมมุติอะไรคือสมมุติอะไรคือวีมุติเราจะไปหลีกลี้หนีตรงนี้ไม่ได้นอกจากเราจะรู้ด้วยปัญญาเท่านั้นแหละหลบหลีกด้วยปัญญาอยู่ด้วยปัญญาเราเราจะไปฝึกขัดปฏิบัติที่ไหนเราก็บกสมมติไปคือร่างกายของเรานี่แหละกอนสมมติ เราจะนี้มสมมติก้อนนี้ไม่ได้ <c oughs> นอกจากจะออกจากร่างกายจะหมดลมหายใจนั่นแหละถึงจะได้ทิ้งสมมุติส่วนรูปธรรมเราก็ต้องจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์คลายใจออกจากขันห้าซึ่งเป็นส่วนนามธรรมา ที่ท่านว่าเป็นกองเป็นขันตัววิญญาณเนะีกองวิญญาณ <c oughs> กองร่างกายก็กองรูปกองความคิดกองอารมณ์กองสังขารเนนะี่ฝากการสวดมนต์ทำวัดเชา้าวัดเย็นว่าอะไรก็ไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงทําไมถึงไม่เที่ยงเราต้องเห็นที่ว่าความไม่เที่ยงนั่นคือความเกิดความดับ ค, ความเกิดความดับ <c oughs> ในเมื่อกายได้เกิดมาแล้วก็ดูแลรักษาเขาไปให้ถูกที่ถูกทางไม่เบียดเบียนตนเบียดเบียนคนอื่นพอกายเป็นก้อนทุกข์เราก็ต้องทําความเข้าใจอยู่กับร่างกายก้อนนี้จนถึงวาระเวลาของเขาส่วนด้านจิตใจเราก็พยายามคัดเก่ากิเลสคลายใจออกให้รับรู้ให้มองเห็นทุกสิ่ง ท, ทุกอย่างตามความเป็นจริงเขาก็จะไม่หลงไปยึดใจของคนเรานี้ก็แปลก ถ้าฝึกขัดปฏิบัติขัดก้าวเอาจริงๆเขาก็ถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะเขาก็มีเหตุมีผลเหมือนกันกิเลสก็มีเหตุมีผลเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆพราะเขาเกิดมานานเกิดมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติเรามาดูรู้ให้อยู่ในพบของมนุษย์นี่แหละมาแก้ไขอยู่ในพบของมนุษย์นี่แหละให้ได้ตื่นขึ้นม า, า, าสติของเราต่อเนื่องหรือไม่ ความเพียรของเรามีเพียงพอหรือไม่ความรับผิดชอบความเสีสละความอดทนสารพัดอย่างที่เราจะต้องทําความเข้าใจคําว่าทุกขณะกิดคําว่าทุกขณะลมหายใจตรงนี้เลยใหม่ๆความรู้ตัวของเราไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้มีให้ได้ทุกระยาบทเพียงแค่การเจริญสติ <c oughs> พวกเราก็ยังพากันทํากันอยากอยู่ <c oughs> เราต้องพยายามฟังเพ้อเริ่มใหม่ฟังเพ้อเริ่มใหม่ จนความรู้ตัวของเราต่อเนื่องส่วนการเกิดการดับของกิจของเรานั้นมีอยู่เดิมการเกิดการดับของคันห้าซึ่งเป็นส่วนนามาทำนั้นก็มีอยู่เดิมความคิดเก่านั่นแหละเขาเกิดอย่างไรเขาส่งออกไปฝ่ายนอกได้อย่างไรความรู้ตัวของเราสร้างขึ้นมาแล้วก็พยายามสร้างให้ต่อเนื่องถ้าต่อเนื่องกัน5นาที10นาที20นาที30นาทีขึ้นไปเรื่อยๆถ้าความรู้ตัวของเราเข้มแข็ง เราก็จะเจาะลึกเห็นลักษณะอาการของใจใจที่ปกติเป็นอย่างนี้ใจที่ส่งออกไปฝ่ายนอกเป็นอย่างนี้ส่วนความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดหรือว่าขันห่านะเขาผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจของเราได้อย่างไรขณนะผุดขึ้นมาใจของเราเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรนี่แหละเราสังเกตวิเคราะห์ถ้าเราสังเกตทันเราไม่จําเป็นต้องไปจับเขาแยกยากเลยใจจะแยกออกจากขันห่าได้โดยอัตโนมัติ เขาจะพลิกแยกเหมือนกับเราตัดของที่วงกมลมเราตัดออกมันก็เชื่อมต่อกันไม่ได้ถ้าเรารู้ทันปุ๊บใจมันก็จะดิดออกหงายขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบาเราก็จะเข้าใจคําว่าอัตตาเป็นอย่างนี้อนัตตาเป็นอย่างนี้นี่กำลังสติของเราตามเห็นการเกิดการดับของขันห่านั่นแหละเขาเรียกว่าเห็นอนิจจ์ทุกครังอนัตตาส่วนใจของเราก็ว่างรับรู้อยู่ ตามดูตามรู้ตามเห็นว่าเป็นเรื่องอะไรเขาจบลงยังไงตามดูทุกเรื่องจนเกิดความเบื่อหน่ายใจเกิดความเบื่อหน่ายมันจะจะบดีหาทางหลบดีไม่ได้ก็อยู่เบียข้าทาความเข้าใจนี่แหละเขาเรียกว่าทําความเข้าใจกับกรรมตัวขันห้านะี่แหละคือตัวกรรมถ้าเราแยกแยะได้ตามดูได้ก็มาปรุงแต่งใจของเราไม่ได้กําลังสติของเราก็จะพุ่งแรงพุ่งแรง ถ้าเราไม่ตามทําความเข้าใจเขาก็จะซึมเข้าสู่สภาพเดิมถ้าตามดูตามรู้ตามเห็นไม่ลดละจนไม่มีอะไรเหลือที่ใจให้ตามดูนอกจากรู้ความจริงแล้วก็ขัดเก่ากิเลสละกิเลสยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งทําความเข้าใจแล้วก็ค่อยละเละจนไม่มีอะไรที่จะเหลือจนเหลือตแต่ใจกับส่วนรูปกับส่วนปัญญาทําความเข้าใจอะไรคือโลกอะไรคือธรรม ทำภายในเราก็ไม่เข้าไปยึดปล่อยวางให้หมดเลยไม่ได้ใจของเราวางใจให้เป็นอิสระภาพวางกายให้เป็นอิสระภาพทีนี้เราส่วนมากก็เพียงแค่การเจริญสตินี้ก็ยังมีไม่เพียงพอส่วนมากก็เป็นนึกเอาว่าตัวใจนั่นแหะคือสติความพิดนั่นแหะคือสติปัญญา มันเป็นสติปัญญาอยู่แต่เป็นสติปัญญาของโลกิยะไม่ใช่เป็นสติปัญญาของโลกุตระคือที่จะเข้าไปดับทุกได้ีทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนแต่มีเหตุมีผลเจ้าพุทธองค์ท่านสอนลงที่เหตุท่านชี้ลงที่เหตุไม่ใช่ว่ า, า, า, าจะไปชี้แบบไม่มีเหตุไม่มีผลเหตุ ผลของการเกิดการดับการหลงการแยกการคลายการขัดเก่ากิเลสกิเลสยาพิเรศละเอียดนิวรธรรมมณที่นั้นมีหมดเล่นแต่ว่าเราจะมีกําลังสติไปค้นคว้าเพียงพอหรือไม่เรามีศรัทธาเต็มเปี่ยมหรือไม่ท่านถึงวางรากฐานเอาไวา้ตั้งแต่ทานศีลสมาธิทานก็เพื่อจุดหมายของความมุ่งหมายของการทานก็คือเพื่อขัดเก่ากิเลสออกจากใจของเรา ศีลก็เพื่อที่จะควบคุมกิเลสหยาบหยาดศีล ส, สมมุติศีลบิมุติศีล ส, สังคมศีล ส, สมมุติศีลห้าศีลแปดศีลสิบจะขําเคร่งมากมายถึงขนาดไหนจะปฏิบัติขําเคร่งยังไงก็เพื่อที่จะขัดเก้ากิเลสก็เพื่อที่จะละกิเลสจุดมุ่งหมายก็เพื่อที่ทําใจให้บริสุทธิ์ทําใจให้สะอาดเรา ต้องพยายามทําความเข้าใจกับความหมายของภาษาธรรมภาษาโลกความหมายของการศึกษาค้นควา้าชีวิตของเราไม่ใช่ว่าไปปล่อยปะละเลยทั้งพระใหม่พระเกา่าเราต้องเป็นผู้ใหม่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตลอดเวลาเป็นคนมีความขยันเป็นคนมีความรับผิดชอบไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่กินความอยากเล็กๆ น, น้อยๆเราก็ไม่ให้เกิดขึ้นที่ใจของเราท่านถึงบอกให้พิจารณาทุกเรื่อง ทุกเรื่องอาหารการอยู่การขบการฉันเป็นอย่างไรนี่ในเมื่อกายก็ต้องการอาหารเราก็รู้จักพิจารณาภาษาธรรมท่านเรียกว่าปฏิสังขารอยู่ให้รู้จักพิจารณาเจโกดขณะรับประทานข้าวปลาอาหารหรือว่าขณะที่จะเอารับประทานข้าวปลาอาหารเราก็ดูใจเกิดความอยากหรือไม่ใจปกติหรือไม่ใจเกิดความดีไหมยินร้ายไม่ผักไส่ไม่ดึงเข้ามาไหมกะประมาณในการขบฉันของตัวเองหรือเปล่า เอาโทษนี้กิเลสมันก็บอกว่าเอาเยอะๆมันก็กลัวไม่อิ่มมันก็สั่งให้เอาเยอะๆเอาเยอะๆแล้วก็ทานไม่หมดเราก็ต้องหัดพิเคราะห์หัดพิจารณาอย่างนั้นท่านถึงบอกว่าปิติสังขาอยู่ทุกเรื่องนั่นแหละตากระทบลูกก็เหมือนกันหูกกระทบเสียงก็เหมือนกันถ้าเราต้องการสิ่งต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์เราก็เอาด้วยสติด้วยปัญญาด้วยใจที่ไม่เกิดกิเลสเราต้องพยายามกัน ทั้งพระปวดใหม่ทั้งพระบทเก่าเราก็ต้องพยายามศึกษาตัวเราแก้ไขตัวเราไม่ใช่ว่าธรรมะจะอยู่ที่โน่นอยู่ที่นี่ธรรมะก็อยู่ที่กายที่ใจของเราถ้าเรารู้จักคน้นคว้าถ้าเรารู้จักทําความเข้าใจการเจริญสติเป็นอย่างนี้สติที่ต่อเนื่องเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้กายวิเวกจากพันธะภ า, าระหน้าที่ต่างๆจากสมมุติที่เราเคยทํามา ทีนี้ใจวิเวกจากการเกิดจากกิเลสจากความคิดจากอารมณ์ขันห้าเขาก็ไม่ยอมแพ้ ง, ง่ายๆใจของเขาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆเพราะใจมันก็หลอกตัวเองอยู่เขาเรียกว่าจิตหลอกจิตหลายชั้นละเอียดการฝึกหัดปฏิปปธรรมต้องเป็นบุคคลที่มีความละเอียดมีความเพียรเป็นเลิศหัดวิเคราะห์หัดสังเกตหัดทำความเข้าใจตาม <c oughs> ตามดูรู้เหตุดูผล จนไม่มีอะไรที่จะมาโต้แยง้งเราก็จะเลืกนึกถึงคุณพระพุธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้ามีจริงถ้าไม่มีจริงท่านคงไม่ค้นพบหลักของ อ, อ, อริยสัจท่านคงไม่ค้นพบวิธีการแนวทางท่านไม่ค้นพบหลักของวิปัสสนาคําว่าวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงใจต้องคลายออกจากขันห้าเช่นก่อนอแยกรูปแยกนามไม่ได้เช่นก่อนไม่ใช่ไปนึกเอาไปคิดเอา น, นั้นเป็นวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสนาวิปัสนานั้นต้องใจคลายออกจากขันท่าแยกรูปแยกนามใจง่ายขึ้นมาปัญญาตามดูที่เหตุที่ผลใจเกิดกิเลสก็รู้จักละกิเลสใจเกิดความโลภก็รู้จักขัดเกล้าให้รู้จักให้รู้จักเอาออกใจเกิดความโกรธก็รู้จักดับความโกรธให้อภัยอโหสิกรรมไม่ใช่ว่าสะสมดั่งกิแต่กิเลสเข้าทับถมดวงใจของตัวเอง ส่วนมากก็มีตั้งแต่สเสแวงหากิเลสเขาทับผมรวงใจของตัวเองก็เลยเข้าไม่ถึงความเป็นจริงทักทีก็เลยแบกตั้งแต่ทุกกายก็ทุกใจก็ทุกเพราะว่าไม่รู้จักวิธีแก้ไขนี่ก็ต้องพยายามแนวทางหนทางมีอยู่ถ้าใจของเราคลายออกมาได้ตามดูลู้เห็นความเป็นจริงได้การเกิดเป็นทุกเขาก็ไม่เกิดเป็นธาตุกิเลสเขาก็ไม่เอาเขารู้ความเป็นจริง มีตั้งแต่จะเดินสติเดินปัญญ า, าตัดกิเลสละกิเลสให้มันหมดดับความเกิดให้มันได้กายเนื้อแต่กดับก็ไม่ต้องกลับมาเกิดกันอันนี้หลวงพ่อก็เพียงแค่เล่าให้ฟังถ้าพวกท่านไม่ไปฝึกขัดปฏิบัติก็ยากที่จะเข้าใจนี่ก็ได้แค่ฟังฟังก็ได้แค่ฟัง ส่วนมากก็ได้แค่ทำบุญให้ทานก็ยังดีนี่ไม่ใช่อย่าไปปล่อยปะละเลยบุญน้อยก็เป็นของเราบุญมากก็เป็นของเราโอกาสเปิดการเวลาเปิดมีโอกาสเราก็ให้ช่วยกันทําไม่ว่าอยู่ที่ไหนบุคคลมีบุญจะรีบตักตวงสะสมสร้างบุญบรารมีให้มีให้เกิดให้สมบูรณ์แบบทั้งทุกอย่างตั้งแต่ทานศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเราศึกษาค้นคว้าให้ละเอียดถึงจุดหมายปลายทาง สติปัญญาสมาธิเขาจะรักษาเราเองยืนเดินนั่งนอนก็จะเป็นแค่เพียงอริยบทจะลองตะโกนอยู่ใจก็ไม่เกิดจะทำอะไรอยู่ใจก็ว่างก็บริสุทธิ์ถ้าเขาถึงจุดหมายไปทางถ้าเขารู้ความเป็นจริงแล้วท่านถึงบอกว่าสติปัญญาสมาธิเขาจะรักษาเราเอง ช่วงใหม่ๆสติไม่มีเราก็ต้องสร้างขึ้นมาให้มีสติไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องสร้างให้ต่อเนื่องใจของเราควบคุมไม่อยู่เราก็ใช้วิธีการแนวทางสารพัดอย่างบางคนก็ใช้สมถะบางคนก็แล้วแต่อุบายแล้วแต่วิธีที่จะทำใจของเราให้สงบบังคับใจของเราให้อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งใจของคนเหล่านี้ก็แปลเหมือนกับนักโทษนั่นแหละถ้าเปรียบเหมือนกับนักโทษประหาร นักโทษประหารเขาต้องใส่โซ่ตรวนทั้งข้อมือข้อเท้ากับยัดเข้าไปในกงขังนักโทษประหารรอประหารแต่ฝึกขัดแต่เวลาเข้าไปอยู่ในคุกล้วก็ปฏิบัติตัวใหม่ทำตัวดีขึ้นรู้จักรับผิดชอบรู้จักมีความเชสละสร้างบรารมีมีความอ่อนน้อมต่มตนขยันมั่นเพียรจากนักโทษประหารก็คลายลงมาเป็นนักโทษตลอดชีวิตปฏิบัติตัวดีขึ้น ก็ค่อยลดหย่อนโทษไปเรื่อยๆจากโทษตัวนก็ค่อยปลดโทษตัวนออกปลดโทษตัวนออกเท่าเล็กเท่าน้อยก็ปฏิบัติตัวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจากโทษประหารก็เหลืออยู่ที่โทษจำคุกตลอดชีวิตจากจำคุกคุกตลอดชีวิตก็ลดเหลืออยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีลดลงมาเรื่อยๆการปฏิบัติตัวดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น จนคายโซ่ตัวนออกจนเป็นนักโทษรอภัยทธานอโหสิกรรมนั่นแหละการปฏิบัติตัวใจของคนเราก็เหมือนกันถ้าฝึกหัดปฏิบัติขัดเก่ากิเลตออกช่วงใหม่ๆเขาก็ดื้อรั้นไม่ยอมเชื่อฟังกำลังสติก็ทั้งเขี่ยนทั้งตีสารพัดอย่างทั้งเขียนทั้งตีทั้งขัดทั้งเกาที่จะเอาให้เขาอยู่แล้วก็ ค่อยอบรมเขาชี้เหตุที่ผลเห็นเหตุเห็นผลจนอยู่ในโอวาทของสติปัญญาของเราจนมองเห็นเหตุเห็นผลถ้าเขารู้ความจริงแล้วขัดเก้ากิเลสเอาออกแล้วดับความเกิดแล้วเขารู้ความจริงแล้วจะเอาเชือกเอาช่างมาฉุดเขาก็ไม่เกิดเพราะว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดเป็นธาตุกิเลสเขาก็ไม่เอา ก็ต้องพยายามพวกเราละแต่ละวันแต่ละวันตื่นขึ้นมาสร้างสะสมด้านกิเลสเข้าใส่ตัวตัวเองมีตั้งแต่ความอยากอยากโน่นอยากนี่อยากมีอยากเป็นอยากไปในหลักธรรมทั้งความอยากทั้งไม่อยากนั่นแหละถ้ามีความเกิดความเกิดนั่นแหละคือความหลงอันละเอียดที่สุดถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดแล้วก็หลงมาเกิดอยู่ในภพมนุษย์ยเรามีโอกาสมากที่สุดให้เจริญสติเข้าไปวิเคราะห์จําแนกแจกแก้ง กิเลสของเราเบาบางลงไปเรื่อยๆนี่ก็เจะที่ภาษาธรรมะท่านเรียกว่าโสดาปฏิมักโสดาปฏิผลเบาบางลงไปเรื่อยๆอนาคามีมักอนาคามีผลสกิัค่ามีมักสกิีคามีผลขึ้นไปเรื่อยๆจนเบาบางลงไปจนหน่วงเนี่ยเอาไอความบ้างเป็นอารมณ์ก็โดดเข้าสู่นุ่นยกกิจของเราเข้าสู่เขตอริยะห่างไกลจากกิเลส เข้าสู่ความว่างรู้จักทงความว่างว่างจากการเกิดว่างจากขั้นห้าว่างจากกิเลสว่างจากความยึดมั่นถือมั่นจิตในความว่างในความว่างนั้นมีตัวจิตอยู่มีความรู้สึกระลุอยู่เหมือนกับเรานั่งอยู่ในห้องนี้แหละอยู่ในห้องอยู่ในสลานี้เป็นสลาที่ว่างแต่ในความว่างนั้นมีอากาศอยู่โดยที่เราไม่รู้ในความว่างในกายของเรานั่นแหละก็มีวิญญาณอยู่ซึ่งเป็นส่วนน้ามาทํา เราต้องรอบรู้ท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในดวงวิญญาณในกายของเราให้รอบรู้ในปัจจัยสีที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวให้รอบรู้ออในโล ก, กธรรมที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวแต่เวลานี้เราทั้งหลงทั้งยึดทั้งติดทั้งที่ไม่อยากจะหลงไม่อยากจะยึดอยากจะปล่อยอยากจะวาง แต่มันก็วางไม่ได้เพราะว่ า, เ, าเรายังคลายใจออกจากขันห้าไม่ได้ลุกไม่รู้จักจุดปล่อยจุดวางไม่รู้จักวิธีการแนวทางการเจริญสติเป็นอย่างนี้การเจริญสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การทำความเข้าใจใจของเรามีความแข็งกระด้างเราก็แก้ไขใจของเราใจของเรามีความมีทิฏฐิมีมานะเราก็พยายามละอัตราละตตนแก้ไขใจของเราท่านถึงบอกว่าให้ทาใจเหมือนกับแผ่นดิน ใครจะฆ่ากระเล็ดถมน้ําลายไสแผ่นดินมันก็ไม่ได้วไหวั่น่อยนี่แหละให้พยายามแก้ไขตัวเราปรปับปรุงตัวเรารู้จักวิธีการแนวทางแล้วให้พากันไปทําตั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติเป็นอย่างนี้กายวิเวกเป็นนี้ใจเกิดความกลัวเราละความกลัวได้ยังไงใจเกิดความอยากเราละความอยากได้ยังไงไม่ใช่ว่าจะไปเสวงหาธรรมที่โน่นหาธรรมที่นี่ หาทำที่กายพวงเรานี่เลยทุกสิ่งทุกอย่างก็ร่วนแต่เป็นอาจารย์เป็นครูบาสอบอารมณ์เราตลอดเวลาตากระทบรูปใจเกิดกิเลสหรือไม่หูกกระทบเสียงใจเกิดกิเลสหรือไม่กายเกิดความหิวใจเกิดกิเลสหรือไม่กายไม่อยู่ในอำนาจของใจนี่ถ้าเราหมั่นวิเคราะห์ดูดีๆจำแนกแยกแยงดูดีๆเราก็จะเห็นชัดถึงเวลาเขาก็ต้องแตกต้องดับเพราะว่ากายมันเป็นคนโรคเป็นคอนทุกข์ เราจะไปหมวดเสียเวลาอยู่ทํำไม่เสียเวลาวิ่งตามกิเลสตัวเองก็ยังไม่พอวิ่งตามกิเลสคนโน่นคนนี้ไม่จบไม่สิน้นเรามาจัดการที่เราแก้ไขที่เราปั๊บปุงที่เราอเราให้ถึงจุดหมายปลายทางของเราที่ในี่ใครเข้ามาเราก็พออนุเคราะห์ได้แล้วก็อนุเคราะห์พอชี้ให้ได้ก็ชี้พอแก้ไขให้ได้เราก็แก้ไขแก้ไขให้ได้ทั้งทั้งทั้งสมมุติทั้งบีมุติ สมมุติก็ไม่ให้ลำบากที่พักที่อาศัยที่รับที่นอนที่อยู่ที่กินที่ถ่ายที่เยี่ยวอันนี้เขาเรียกว่าสมมุติไม่ได้ลำบากเราก็ต้องอทำความเข้าใจอยู่กับสมมติเคารพสมมุติไม่ยึดติดสมมติ นี้ก็ไล่เลี้ยงลงไปหาสมมติที่กายของเราแยกภายในของเราอะไรคือสมมุติในกายอะไรคือวิมุตติอะไรคืออัตตานัตตาเขาก็จะไล่เลี้ยงลงไปเรื่อยๆมีั้งแต่เรื่องเดียวนี้แหละที่จะต้องศึกษาคนา้นคว้านอกนั้นเป็นเรื่องอประกอบในทางสมมุติเพื่อที่จะยังสมมติให้เกิดประโยชน์ให้อยู่ในกองบุญกองผูศลให้อยู่ในความสะดวกสบายเท่านั้น การฝึกขัดปฏิบัติธรรมก็ฝึกหัดปฏิบัติใจของเรานั่นแหละฝึกขัดปฏิบัติใจกายวาจาของเรานั่นแหละอะไรที่จะเป็นบุญอะไรที่จะเป็นทุกข์เป็นโทษเราพยายามดําเนินให้ถึงจุดหมายปลทางก้อนที่จะหมดลหมหายใจนี่เราก็จะได้สนุกทําบุญสร้างบุญอืมีโอกาสส่วนวันที่29เห็นว่าจะพระราชท า, านเฟืองฉลบหลวงปูคค่ขุดญาติโยมท่านใดมีโอกาสอยากจะมาร่วมมาอนุโมทนาบุญกับท่าน ในหลักการแล้ท่านสร้างมาเต็มเปี่ยมหมดท่านเป็นบุคคลทีเ่เป็นปูชนียบุคคลสร้างประโยชน์มากมายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองทั้งประเทศนอกด้วยตามพี่ได้ศึกษาประวัติของท่านมีงบมีทุนเป็นหลายร้อยหลา ย, ลายพันล้านท่านก็ไปสร้างโรงเรียนที่นู่นบ้างสร้างโรงพยาบาลที่นู่นบ้างนุ่งเคราะห์ให้กับคนยากจนสาลพัฒย์คนไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจส่วนวันที่หนึ่งที่สอง ก็จะได้พระราชทานเพึงศพหลวงพ่อพระครูเกมาพิยุทธเจ้าคณะตำบลํำราญฮวงเหล่าท่านก็เป็นหลวงพ่ออุปชาของหลวงพ่อนี่แหละมีโอกาสก็จะได้ไปทำหน้าที่ทุกคนใครอยากจะมาร่วมบุญก็มามาร่วมบุญ อยากจะไปตั้งลงทานหลวงพ่อก็จะไปทำลงทานน้ําชากาแฟขนมนมเนยหลวงพ่อให้สั่งจากคณะผัดหมี่ผัดหมี่พี่หมายมาตั้งลงทานผัดหมี่ใครอยากจะมาร่วมญาติโยมท่านใดอยากจะมาร่วมก็มาส่วนที่ปักทงชัยหลวงพ่อก็ให้ดําเนินสร้างองค์พระพุทธรูปใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะถึงนาอกละมัง กำลังดำเนินกันอยู่ช่างก็ให้ทำกันที่โน่นอยู่วางรากฐานมาตั้งแต่ปีกายก็ดำเนินมาเรื่อยๆก็สูงประมาณทั้งยี่หาเมตรแล้วก็ทำจะสร้างแม่คนอิ่มใหญ่อีกด้วยสูงก็ประมาณทั้งยี่หาเมตรเดี๋ยวนี้ก็ให้ทำทั้งกิบบัวด้วยกิบบัวอยู่ช่างก็แบ่งกันทำทั้งสององค์อยู่ที่กลางดงดอกไม้หลายหมื่นต้น ที่หลวงพ่อได้พาญาติโยมไปดำเนินไปปลูกต้นไม้พวกต้นชมพูพันทินพย์กันลับผกห้างนกยูงปีดีย thon ขุณสีสายรุง้งต้นนางพญาเสือโคร่งเต็มเขาต้นละห้าร้อยบังพันบังร ว, รวมพี่น้องของเราไปปลูกก็หมดหลายล้านอยู่ก็รวมประมาณสักสองหมุนกว่าต้นเมื่อต้นไม้โตออกดอกทุกคนก็จะได้ไปชมไปเที่ยว ไปเที่ยวเป็นแหล่งบุญใหญ่ของชาติบันเมืองหลวงพ่อก็จะไปวางรากฐานเอาไวา้พวกเราจากไปคนรุ่นหลังก็จะได้สานต่อแล้วก็จะได้สั่งมหาเจดีย์ที่นนทนด้วยอัญเชิญพระบรมสารีกรธาตุ ไปปฏิฐานเอาไว้สร้างองค์แทนพระพุทธองค์โปรดบางลีลาบ้างปางปรินิพานบ้างอยู่ในกลางดงดอกไม้ไปาไดห้5ปี10ปีถ้าพวกเราไม่หมดลมหายใจก่อนก็คงจะได้ไปเห็นก็คงจะได้ไปชมมีโอกาส อยากแค่ร่วมไม่ว่างานบุญอะไรไม่ว่าอยู่ที่ไหนอยู่ใกล้อยู่ไกลเราก็พยายามทำทำมากก็เป็นของเราทําน้อยก็เป็นของเราเห็นคนอื่นทำํำเราก็ปลอยนโมุนาสาธุ ด, ด้วยก็ขอให้ทําทําตามกําลังทําตามฐานะของเราอย่าไปทําให้เกินเหตุเกินผนลเราก็ไปที่ไหนเราก็จะได้ไม่ได้ตกอับเป็นบุคคลที่มีความเตรียมพร้อมไม่ว่าใกล้ว่าไกลก็หลวงพ่อก็ ออมีโอกาสก็จะได้พาญาติโยมพี่น้องของเราทําทุกอย่างอะไรที่จะเป็นบุญชวนการขัดเก้ากิเลสทําความเข้าใจกับภายในของเราตรงนี้สัมพัญเราก็ต้องพยายามเข้าวัดตั้งแต่ตื่นขึ้นตื่นขึ้นตังแต่ยังไม่ลุกจากที่เอากายนี่แหละเป็นวัดเอากายนี่แหละเป็นสนามรบเอากายของเรานี่แหละเป็นตาําราไปใหญ่ครูบาอาจารย์นั้นเยอะตํารามีเยอะเราพยายามยก กายของเราขึ้นมาเป็นตําราจเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหาผลไม่ต้องไปเรารู้เข้าใจวิธีการแนวทางแล้วไปเร่งทําความเพียรทั้งแต่ตื่นขึ้นมาสติที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้เอาสติปัญญาไปใช้งานเป็นอย่างนี้จนรู้เท่ารู้ทันจนเห็นจนตามทําความเข้าใจได้ถ้ารู้ความเป็นจริงแล้วมันละหมดนั่นแหละไม่เอาหลอกกิเลสต่างๆกิเลสหยาบกิเลสละเอียดมันขัดเกลียวออกหมดนั่นแหละมันไม่เหลือวิสัยหลง ก็ต้องพยายามนะไม่เข้าถึงวันนี้วันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เดือนนี้เดือนหนะ้ามันไม่เข้าถึงจริงๆอีกไปต่อปีหนะ้าไม่เข้าถึงจริงๆริงไปต่อพบหนะตาตราบใดที่ใจยังเกิดอยู่ก็ต้องพยายามกันเอาเรื่องนี้เขาจะเริ่มทำเพียงเท่านี้อขอให้ทุกคนจงไหวพร้อมๆกัน